พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟั่งที่ครบค่ะได้เวลาที่จะมาพบกันกับพระมหาภัยบุญอภิปุโนและดิฉันสัสนินาคพง์ในรายการสัสนีสนทนาซึ่งจะเป็นการสนทนาการว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสสอนอะไรเอาไว้บ้างและเราจะได้นำเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเราเพื่อให้เป็นไปตามธรรมและก็ได้ประโยชน์จากธรรมนั้นทาให้ชีวิตเรา เป็นปกติสุขมากยิ่งขึ้นมีความทุกข์น้อยลงถ้าจะเปรียบกันไปเราเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์นะคะซื้อหาไม่ได้ต้องรู้คำสอนที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและมีความเพียรด้วยธรรมะของพระศาสดานั้นสำคัญอยู่ที่การปฏิบตัติรายการของเราก็เกรงว่า ถ้า พ, พูดกันไปท่านไม่มีเวลาไปปฏิบัติสักทีก็จะสูญเสียโอกาสจึงจะนําท่านปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวันวันละเล็กมันละน้อยตั้งแต่ตอนช่วงต้นของรายการเตรียมตัวกันไว้ให้ดีนะคะเพราะที่ฉันกํำลังจะพาไปพบกับพระอาจารย์ของเราแล้วนัก็คือพระมหาภบูลุญอภิปุโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีกราบน้ำระสการกันทั้งค้เยาว์านในเรื่องการปฏิบัติที่เราพูดถึงก็คือการที่เราตั้งสติเอาไว้ สติเวลาที่เราจะประพฤติปฏิบัตินั้นเราสามารถทำได้ทุกเวลาแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนในห้องน้ำพระเจ้าได้ตรัสถึงในเรื่องนี้คือการเป็นผู้ที่มีสัมปชัญญะเป็นผู้ที่รู้ตัวรอบครอบในการทำกิจต่างๆนั่นก็คือเวลาที่เราปฏิบัติโดยทั่วๆไปในที่นี้เรากำลังพูดถึงการทำที่เป็นรูปแบบซึ่งรูปแบบของการทำในที่นี้ก็คือการที่ให้เรามาระลึกถึงลมหายใจ จะเป็นอยู่ในท่านั่งก็ได้นะถ้าบางคนไม่สะดวกก็อาจจะทํากิจอย่างอื่นอยู่ก็ได้เหมือนกันนะจะลืมตาหลับตาไม่มีปัญหานะในขณะที่เรามาที่จะพยายามที่จะมารู้สึกรับรู้ถึงลมหายใจเนี่ยก็ด้วยการที่เราหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสักส3ครั้งนะตั้งขึ้นเอาไวา้การหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสองสาครั้งเนี่ยจะทําให้เรารับรู้ถึงสัมผัสได้ชัดเจนมากขึ้นนะสัมผัส ต, ตรงนี้ก็เป็นแค่ เหมือนกาเกนในการวัดมาตรฐานทั่วไปนะว่าตรงนีนะ้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะแต่มีรายละเอียดต่างกาันบางคนก็อาจจะอยู่ด้านในบ้างด้านนอกบ้างก็แล้วแต่แตนะ่แต่ให้มีฐานที่ตั้งเอาไว้สักที่ใดที่หนึ่งพระเจ้าได้เคยตรัสถึงเหตุที่จะทําให้การทําอานาปานสติเนี่ยมีความก้าวหน้าขึ้นในะเหตุต่างๆเหล่านี้ได้ตรัสไว้ในเรื่องนี้บอกว่าพิสุทธ์ทั้งหลายเธอผู้มุ่งประพฤติกระทํา ซึ่งอนาปานสติที่ประกอบด้วยทมต่อไปนี้ย่อมสามารถแต่งตลอดซึ่งทมอันไม่กลับกําเริบได้ต่อการไม่นานทีเดียวคือเธอในกรณีนี้ 1. เป็นผู้มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดดในบริการแห่งชีวิต 2. เป็นผู้มีอาหารน้อย ประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันปร่องสามเป็นผู้ไม่มีความมืนชาประกอบตนอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่น 4. เป็นผู้ทรงสุตตะสร้างสมสุตะสุตะคือธรรมเหล่าใดอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแสดงอยู่ซึ่งประมาจันอันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงรำทางอาาัฏฐะ รำทางผยิญชนะธรรมะที่มีลักษณะเห็นปานนี้เป็นธรรมะที่เธอสดับฟังแล้วมากทรงจำไว้ได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็น 5. เธอพิจรารณาเห็นเฉพาะอยู่ซึ่งจิตอันหลุดพ้นแล้วตามลำดับอย่างไร 6. เธอเป็นผู้ที่ได้ตามปัตนน า, นาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลบาก ซึ่งธรรมกถาซึ่งเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสอันเป็นที่สบายแกการเปิดโล่งแห่งจิตกล่าวคือเรื่องให้ปรารถนาน้อยเรื่องให้มีความสันโดษเรื่องให้มีความวิเวกเรื่องให้มีความหล็กเล่นเรื่องความเพียรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องวิมุตติย่านัน ท, ทัศนะเดแต่นั้นเป็นผู้อยู่ป่า มีเสนาสะนะอันสงัดเธอผู้ใดที่กระทำให้มากซึ่งอนาปานาสติและประกอบด้วยธรรมเหล่านี้แล้วย่อมแทงตลอดซึ่งธรรมอันไม่กลับกำเริบได้ต่อการไม่นานทีเดียวเหล่านี้คือเหตุในการที่เราจะทำให้ลมหายใจของเรานำพาไปวิมุตได้นั่นเองเจริญพรค่ะนี่ก็เป็นการที่รรหาภาัยบูรณ์นะคะได้อ่านพระสูตรให้กับพวกเรา ในระหว่างที่ให้ปฏิบัติธรรมรู้ลมหายใจไปด้วยแล้วก็เป็นเทคนิคพิธีถ้าพูดเนภาษาปัจจุบันนี้นะคะที่จะช่วยทําให้การปฏิบัติของท่านที่เรียกว่าอาณาปานสตินั้นได้ก้าวหน้ามากขึ<ด>้ขา<ด>มาก<ด> <มา S 1> ขึ้นใช่ค่ะบวชเพียรฉะนั้นที่พุทธเจ้าได้พูดถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติเนี่ยคือเข้าไปสู่ธรรมที่ไม่กลับกําเริบน่มคือหมายความว่าไงหมายความว่ามบางทีเรารู้ลมหายใจเออเราก็ฝึกมานะฝึกเป็นปีบางคนฝึกเป็น10ปีอ่ะคุณยมติว เอ๊แต่มันก็ขึ้นขึ้นลงลงไงใช่ไหมได้บ้างวันดีก็จิตจะสงก็มีนะในวันที่มันฟุ้งซ่านมันก็มีเหมือนกันนะคือมันไม่ได้สงบตลอดหรือบางทีมันก็ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาไปไมามาเหมือนกันในวันที่ดีก็มีวันที่ไม่ดีก็มีนะก็แสดงว่ามันยังมีการกลับกําเริบนี่คือคีย์เวิร์ดนะมีการกลับกําเริบดิฉันเป็นตัวอย่างเลยค่ะกําเริบตลอดแน่เลยแล้วการกลับกําเริบนี่ยมันมาตามพรรษา มาตามภรรษาอย่างที่เราเคยคุยกันมาว่าสนิมมันจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมมีส่วนใช่ไหม <c oughs> บางทีเราไปอยู่ในภัรษาสิ่งแวดล้อมที่มันเอยกระทบกระทั่งมากนะพูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีอยู่ในกับสมโคอยู่กับคนพานมันก็เริ่มมีการกลับกําเริบจิตของเราก็กําเริบ ม, มีราคะกําเริบโทสะกําเริบอะไรต่างๆมันก็หมองมัวอย่างนี้ <c oughs> ทํายังไงจะไม่ให้กลับกําเริบเข้าสู่ความที่ไม่กลับกําเริบสู่ความคงที่อันนี้ก็ลองพูดถึง ไปในตามทางสูนิพานนะนะมัน <Okay. S 1> ก็จะค่อยสงบลงสงบลงบ้าไปอย่างนั้นอ่าซึ่งถามว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้การปฏิบัติของเราเก้าวหน้าแล้วก็ให้อ่าเราเข้าสู่ในหนทางที่มันจะค่อยลึกซึ้งลึกซึ้งลงไปนะก็อย่างที่ว่าก็ต้องมีการสร้างเหตุให้ถูกต้องนะลมหายใจสตินะสติเกิดจากอะไรได้อะไรเป็นเหตุของสตินะซึ่งพระเจ้าเคยตรัสในเรื่องของพระ5นะคุณโยมติว๋วที่พูดถึงว่าความเพียร น, นะ <Okay. S 1> ถ้าเธอมีความเพียรแล้วก็จะทํา สติให้เกิดขึ้นได้ในเรื่องของมรรค8นะมีสัมมาวายามาแล้วจะทำสัมมาสติให้เกิดขึ้นได้นี้เป็นฐานะที่เป็นไปได้อันนี้ก็มีแต่เพราะนั้นไอ้ถามว่าไอคา้ความเพียรความเพียรที่พูดถึงเนี่ยสเปซิฟิกไปเลยิมันอะไรกันแน่นี่ก็คืออยู่ในที่นี้เจอย่างที่เราพูดถึงเมสครูปค่ะก็ทบถวนอีกอย่างแรกเนี่ยนะคะ ม, มันเป็นเขาเรียกของง่ายๆ ที่เราทำอยู่ทุกวันใช่คือเรื่องปริมาณของอาหารที่รับประทานถูกต้องกินแค่สัก 70% อร์ซของขอ ง, ของความจุของท้องเราหรือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคือบทเพยงชนะผูรู้ชาบอกว่าเป็นผู้มีอาหารน้อยนประกอบตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันปร้องนี่ค่ะเพะถ้าทานมากนี่ก็เห็นผลเลยนะคะเดี๋ยวก็ง่วงเดี๋ยวก็ท้องอืด <c oughs> ท้องเฟอ้อ <c oughs> <c oughs> ไม่สบาย <c oughs> จะมีเขาเรียกว่าโทษอาหารเนี่จะกลายเป็นพิษทันทีค<ะ>มันจะทําให้เราเมาให้เรามึนให้เราแล้วตอนระหว่างกินนี่ก็ถ้ามันมากก็สติแตกแล้วขั้นหนึ่งคะ่ะหลังจากนั้นก็บระเจ้าตัดตรงนี้ว่าให้เป็นผู้ที่มีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตการมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตก็คือให้อยู่ง่ายๆกินง่ายๆนะอย่ยาเรื่องมากเรพูดอย่างนี้ก็ได้นะค่ะ มีความต้องการน้อยด้วยเดี๋ยวนเห็นใช่ในตอนแรกต้องการน้อยกิจน้อยเลี้ยงง่ายอันนี้รวมแล้วคือความสันโดษถูกไหมคะอ่าถูกต้องถูกต้องอความสันโดษในบริการาชีวิตก็คื อ, อมีอยู่เป็นยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะพอใจในสิ่งที่มีอยู่จบอย่างเงี้ยค่ะอ่าซึ่งซึ่งตรงกันข้ามกันก็คือขวนขวายมากนะขวนขวายเดี๋ยวทำนั่นเดี๋ยวทำ น, นี้เดี๋ยวโปรเจกต์นี้จบตอบโปรเจกต์นั้นอย่างเงี้ย อันนี้คือถ้าจะเปรียบเทียบกับสง์ก็เดี๋ยวก่อสร้างบ้างพูดถึงเดี๋ยวทําไม้ตีตาดบ้างไ ม, ไม้กว่าดลันมัสอย่างเงี้ยหรือไปทําไม้มันก็มีเรื่องอะไรให้ทํามันก็จะทําให้มีขนขวายมากอะไงี้ยท่ะทีนี้คําว่ากิจมันอาจจะค่นคอนข้างกว้างนะคะอกิจของสง์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแสดงธรรมบอกสอนก็ได้นีคะใช่ใช่ใช อันนี้ถือว่าเป็นกิจมากไปหรือเปล่าคะนนถ้าไปโอ้ oh, แสดงธรรมคน น, อน้องคนนี้นิมนต์จังถูกต้องก็คือมีกิจมากอ๋อเ oh, ข้าข่ายกิดมากเหมือนกันเลยคะ่ะดี่ฉันนึกว่าอันนั้นสําหรับถ้าไปแสดงธรรมสําหรับพระที่อยู่ในหนทางเนี่ยดีซะอีกอะไรงะเงค่ะอือคือมันตรงนี้มันมีเจดข้อถ้าสมมติข้อดีไม่ได้ข้ออื่นได้ไหมดูอย่างพ <c oughs> ระพุทธเจ้าดูอย่างพระพุทธเจ้าดีกว่า <c oughs> แในพระพุทธเจ้าเนี่ยเ <c oughs> ทศสอนนี่ตลอดเวลาอยู่ละ ณนะที่ี้พอหลังจันเข้าผู้ชา ก, ก็จะหาเวลาไปหลีกร์เลพนะระองค์ก็จะได้ข้อที่7ที่ว่า อ, อยู่ป่ามีไ ส, สนาสนะอันสงัดอยู่เป็นประจำอันนี้ก็พระองค์ก็จะได้ณกิจนะที่ว่าจะต้องเจอคนนั้นเจอคนนี้มันก็มีเวลาที่ลีกเลนมีไหมก็มีด้วยเหมือนกันก็ต้องจัดเวลาไปคือแบ่งเวลาได้ถูใช่ค่ะต่อนะมาคือการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นคือไม่มึนชาในที่นี้เนี่ยคือการประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นตรงนี้หมายความว่าไง นะตรงนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่นะถ้าเราจะดูตรงภาษาบาลีตรงนี้มันคือคำที่ใช้คำว่าชากริยานธรรมคือตื่นตื่นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่นอนนะไม่ใช่นอนอยู่แต่นอนด้วยความที่มีสตินะซึ่งบริจาก็กำหนดท่า น, นอนไว้ให้ว่าเอางั้นอนสียาสยยนะนอนตะแคงข้างขวาก่อนนอนนะคุณก็กระตั้งจิตเอาไว้ว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันที <c oughs> นะค่ะตั้งจิตไว้อย่างนี้พอรู้สึกตัวปุ๊บ ก, ก็ลุกขึ้นทันทีนะก็คือชื่อว่าประกอบอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นมันค่ะก็จะออกมาเวลาประมาณยามเดียวนะยามเดียวก็ประมาณสัก4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงหชั่วโมงไม่เกินนี้ค <c oughs> ่ะอืมอีกในยะหนึ่งในเรื่องของการประกอบอยู่ในธรร ม, มเป็นเครื่องตื่นเนี่ยเอ่อก็คือในช่วงที่พระอาทิตย์ไม่ได้อยู่บนหัวเราเนี่ยช่วงตอนกลางคืนเนี่ยนะก็ต้องนอนน้อยกว่าตื่น <c oughs> นะก็คือ คุณต้องตื่นอยู่ตลอดก็คือหกชั่วโมงสมมติตอนที่อพระอาทิตย์กลางวันถูกไหมคะกลางคืนกลางคืนอ๋อค่ะกลางคืนคือพระจันทร์อยู่บนหัวเรานะพระอาทิตย์ไม่อยู่เนี่ยกลางคืนตอนที่มืดเนี่ยอ ค, คุณต้องตื่นมากกว่านอนอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าสมมติมันสิบสองชั่วโมงคุณก็ต้องนอนแค่ไม่เกินหกชั่วโมงค่ะออันนี้ก็จะมีอยู่นะีพูดถึงคนที่กลางคืนเนี่ยหลับน้อยแล้วก็ตื่นมากเนะี่ยก็จะมีคนอยู่ห้าประเภทนะ ก็คือค <ะ S 1> ผู้ชายที่ปรารถนาผู้หญิง2ผู้หญิงที่ปรารถนาผู้ชายสามพวกโจรขโมย4พร ะ, <ค>ะพราชาที่ทํากระดิญกิจเพื่อที่จะพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็5คือภิกษุที่เป็นเผากิเลสนั่นก็คือข้อตรงนี้คะ่ะอ่าถัดมาคือเราต้องเป็นผู้ที่ทรงสุตตสังสมสุตะสตะก็คือเรื่องราวธรรมะนี่แหละฟังธรรมอยู่เรื่ยหรือเปล่ามีการจดจําธรรมะได้ไหม แล้วก็ให้เข้าใจความหมายได้ถูกต้องด้วยนะอย่างนี้ ใ, ในในข้อตรงนี้ก็ยังมีเรื่องบทพยัญชนะด้วยนะแล้วก็ความหมายอัฏฐะและพยัญชนะจะทำให้เรามีความลึกซึ้งตรงนี้ได้เชียบคมในเรื่องบทเปลี่ยนชนะธรรมานี้ที่อาจจะต้องทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งคือให้เป็นผู้ที่เห็นอยู่เฉพาะซึ่งจิตที่หลุดพ้นแล้วตามลำดับอย่างไรนะคือเราต้องคนที่มีสติเนี่ย เขาจะรู้ว่าเฮ้ยฉันวางอันนี้ได้ละวางอารมณ์นี้ได้ละ <Okay. S 1> เราต้องรู้แล้วว่าเราหลุดพ้นจากอันนี้แล้วอันนี้คือความหลุดพ้นนะอย่างเช่น <Okay. S 1> ว่าคนเขาด่าชื่อพ่อเราแม้ถ้าเป็นสมัยเด็กๆนี่เราจะโกรธแต่พอโตแล้วเรียกชื่อพ่อนี่ไม่ค่อยเคลื่อนเท่าไหร่อ่า <Okay. S 1> แสดงว่าคุณวางได้ในระดับหนึ่งคุณก็ต้องรู้ตรงนี้มีสติรู้อยู่เนะตรงนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการฝึกอย่างท่านพระสารีบุตรนาะตัวเองวางชาติหนึ่งได้ ขึ้นชั้นสมีสติรู้หมดวางชาั้นสได้ขึ้นชั้นสตัวเองก็มีสติรู้นะมีสติเข้า<ะ>ออกออกจากชั้นมีสติเข้าชาั้นะคือตรงนี้แหละพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งจิตที่หลุดพน้นแล้วตามลําดับอย่างไร<ะ>อันนี้มันเห็นกันได้ง่ายมากเช่นว่าในชีวิตประจําวันด้วยเช่นว่าบางทีเราถูกกับรถปาดหน้าอย่างเงี้ยแล้วเมื่อก่อนนี่เราจะ ม, มีท่าทางแบบปากพูดแล้วก็หน้าตาหูแดงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะ แต่พอเราฝึกปฏิบัติไปเรื่อยเอ๊ะเราวางได้ฮะวางได้ทีนี้บางทีมันกลับกำเริบนี่คือประเด็นแตเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตรงนี้เราก็ทำได้แล้วเอ๊ะเราทำมายังไงเราก็ต้องฉลาดตรงนี้เอ๊ะทำมายังไงเราลองทำดูอีกทีตรงนี้ถัดมาคือเรื่องของการที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากซึ่งทำที่จะทำให้จิตของเรานั้นมันมันเปิดโลกมันสบายคือเรื่องของการก็คือเอาธรรมะ ที่ได้ยินได้ฟังนั่นแหละในข้อที่3ที่ว่าเป็นผู้ทรงสุดตาสังสมสุดตาเนี่ยเอามาทรงไว้ในจิตให้ได้ให้ได้ไดก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องการปรารถนาน้อยเรื่องการอยู่วิเวกหลีกเล่นพวกนี้อีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจที่จะช่วยได้ก็คือการที่อยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัดนั่นเองเพราะฉะนั้นอ ย, อย่างกรณีผู้ที่มาหลีกเร่นที่วัดป่าอันไหนส่งเนี่ยคุณโยมติว นะไอ้ <Okay. S 1> สิ่งแวดล้อมประเภทนี้จะได้รับการจัดให้นะคือคือเราจะไปบังคับจิตให้ผู้ปฏิบัติแต่ละคนเนี่ยเอาคุณวางจิตอย่างนี้ฉันจับจิตคุณ ม, มันไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหม <Okay. S 1> แต่เราให้จัดหาสิ่งแวดล้อมที่มันเหมาะสมแก่การที่จะทําให้จิตนั้นมีความก้าวหน้าได้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเอ้ยฉันทำยังไงถึงการเป็นบิชันถึงของชั้นถึงจะก้าวหน้าคุณต้องมาดูเหตุเจอย่างตัวนีนะ้คุณทําหรือเ <Okay. S 1> ปล่าอย่างเงี้ย ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีครบทั้งเจก็ได้ใช่ไหมคะอ่าก็ก็ไม่จำเป็นใช่มากก็ยิ่งเจริญขึ้นน้อยก็ความเจริญก็อาจจะลดลงไปตามลำดำับค่ะแต่เรนคิดว่าข้อที่อยู่ร่วมกันหมดเลยคื อ, อยังไงต้องให้ทานน้อยมีอาหารน้อยใช่แล้วก็มีความต้องการน้อยเป็นความสันโดษใช่ใช่ค่ะอะ่ตรงนี้มันมีส่วนตรงที่ว่าพอเราเป็นอยู่ง่ายอ่าแล้วก็มีท้องอันพร่องเนี่ย เออมันจะทําให้เราตื่นตัวมีสติการตื่นตัวก็คือมีสตินั่นเองทำ ถ, ถามว่าเราอยู่ที่บ้านทําได้ไหมามกุญยมติ๋วเนี่ยคือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนักบวชอะ่นะนีคุณเป็นคารวาสอุบาสุอุบาสิการักษา ศ, าศาีนห้าเราก็ยังทําได้นะนมาว่าค่ะคือนึกคิดว่าถ้าเราตั้งใจเนี่ยในสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่าถ้าไม่แสวงหาความรู้เทคนิควิธีเลยก็อาจจะทําให้ช้า แต่อันนี้ถ้ารู้แล้วนำเอาไปลองประยุกต์เข้ากับตัวเองว่าข้อใดเหมาะสมนะคะก็จะได้เกื้อกูลกับการที่จะเจริญในการปฏิบัติอาณาปานาสติยิ่งยิ่งขึ้นไปเดนเองก็ได้เทคนิคเพิ่มมากขึ้นนะคะใช่ใช่อันหนึ่งที่คิดว่าอบางคนอาจจะมองข้ามไปนะคือการที่อยู่เซนาสนะอันสงัดอันนี้จะช่วยได้มากค่ะ อยู่ศาสนะอันส ง, งัดอยู่ปา่าอยู่คนไม้อยู่รือนว่างอันนี้อยู่เป็นประจําเนี่ยก็จะช่วยได้มากค่ะคือเหมือนกับว่าอย่าไปค้องแวะ ก, กับคนเยอะบางคนเนี่ยแม้กระทั่งที่ชันวางช่วงชีวิตนี้เป็นเลยนะคะคือจะอยู่ในท่ามกลางผู้คนจํานวนมากเนี่ยบ่อยอืบ่อยมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคจริงๆเนื่องจากว่าเวลามนุษย์เรามันก็เท่าๆกันนะนะคะแล้วก็มี พวงเวลาที่แน่นอนว่าพอถึงตอนนี้เราก็อยากพักผ่อนแล้วร่างกายมันก็ไม่ไหวมันก็ไม่เกือ้อกูลกับการที่เราจะปฏิบัติได้อย่างมีสตอิอย่างยงพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดเดียวกันนี่ก็เหมือนกันนะคุณยมติวถ้าถ้าเป็นวัดปฏิบัติอย่างบ้านปาราไฮโซจริงๆเนี่ยพระเนี่ยจะไม่ได้เจอกันบ่อยนะอยู่วัดเดียวกันก็จริงอะ่ะแต่ว่าเจอกันก็แค่ตอนไปบินธบาติกินข้าวก็จบแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยทั้งวันอตอนเย็นอาจจะมา กวาดล้านบาัส ก, ก็แค่ไม่ชั่วโมงนึง่ง ก, ก็ไม่ได้คุยกันด้วยบางทีเนี่ยอก็ <c oughs> ประมาณแค่นี้นไม่ได้เจอกันบ่อยก็ยังดคคิบในเงินไปนไม่ได้มีเวลาพระสังสรรค์หรอคะท่านคะไม่มีไม่มี <c oughs> ไม่มีนะทีฉันนึกว่าพระก็เหมือนกับพวกเราเพียงแต่ว่าท่านเป็นนักบวช ท, ท่านก็คงจะมีการเวลามานั่งเล่นแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่อง น, นั้นก็จะมีทุกสิบห้าวันทุกสิบห้าวันก็เป็นวันที่ลงอุโบสถ มาประชุมกันคุยคเรื่องนั้นประชุมเรื่องนี้อะไรก็จะมีด้วยตรงนั้นก็เท่ากับว่าถ้าอยู่ที่นูน่นบรรยากาศกับอาจจะเป็นระเบียบของวัดด้วยหรือเปล่าคะที่ทำให้เกื้อกูลกับการที่จะได้อยู่เสนาสะนะอันสงัดะะใช่ใช่ตรงนี้จะเห็นผลมากๆเลยล่ะเป็นผลมากอือค่ะนะคะท่านฟังคะดิฉันเองก็คิดว่าพวกเราเองอาจจะฟังแล้วเหมือนกับต้องไปหาวัดอยู่ แบบพระหรือเปล่าถึงจะเป็นการเสพเสนาสนะเพราําำนี้ก็ดูเหมือนก็นไม่ใช่บ้านนะคะ <c oughs> อันสงัดเนี่ยค่ะท่านคะ อ, อยู่เรือนบ้านก็ได้นะอย่างห้องนอนของเราเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีกิจกรรมอะไรตรงนี้ว่างๆแล้วก็อยู่ที่นั่นก็ชื่อว่าเป็นอยู่เรือนบ้านก็เสนาสนะสงัดได้เหมือนกันค่ะที่ฉันเพิ่งไปเจอเพื่อนเป็นสุภาพสตรีแล้วเป็นนักการเมืองด้วยนะคะท่านหนึ่งเป็นแพทย์ด้วยอายุน้อยกว่าเราเนี่ยสักสิปีอายุประมาณ40 เราก็รู้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกันเจอกันก็ถามว่าปฏิบัติอย่างไรโอ้วันนึงปฏิบัติหลายครั้งค่ะบอกว่าพอตื่นนอนก่อนจะมาทํางานเนี่ยนูก็ปฏิบัติละอืนะคะพอแต่งตัวเสร็จอะไรเสร็จรอรถมารับระหว่างรอถ้ามีเวลาเหลืออ่าปฏิบัติอีกสักหน่อยอกลับบ้านไปเสร็จอย่างแรกก่อนเนี่ยทําอื่นปฏิบัติก่อนแล้วก็ก่อนอนอนอาบมีสักครั้งฟังแล้วดูเหมือนกับว่าหัวใจจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติอืม อันนี้จะเก็บชั่วโ ม, มงบินได้มากทีเดียวค่ะอนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับเราถูกไหมคะใช่ว่าจะให้ความสําคัญอย่างไรใช่ใช่ตรงนี้ก็คือเขาเป็นผู้ที่ว่าได้โดยไม่ไม่ยากได้โดยไม่ลําบากซึ่งคาถาที่จะทำให้เป็นเครื่องเปิดโลกแห่งจิต น, นี่คือตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้ค่ะดังนั้นอยู่ในบ้านเนี่ยสมมุติเกิดคนในบ้านอาจจะกลับบ้านที่หลังเราเล็กน้อยไปถึงบ้านแล้วก็รีบทำซะก่อน ใช่ตอนที่คนอื่นเ้ายังไม่มาอืพอเขามาเราก็ทําในกิจที่ปราบลกับคนเยอะได้ <c oughs> ก็คือเป็นผู้ที่ปราศจากความเปลี่ยนอยู่เนืองนิดอะไรอย่างงี้ค่ะก็ต้องไปปรับดูนะคะเวลาไหนอาจจะเอาตอนที่คนนี้นอนหัวค่ำแล้วก็นอนเดรเขาหน่อยก็ปฏิบัติตอนนั้นใช่ใช่ค่ะในเรื่องของการทําตรงนี้อีกนิดหนึ่งก็คือว่าคนที่จะสันโดดในบริการแห่งชีวิตเนี่ยอหมายความว่าของที่เราจะใช้ของที่เราจะหยิบฉวยเนี่ย ก็ให้มีน้อยชิ้นเอาไว้นะก็จะเป็นการดีพระก็จะมีแค่บริการแปดสำหรับญาติโยมจะมีเสื้อผ้าเท่าที่เราจําเป็นนะเซตนี้นะถ้าไปงานอห่นก็เซตอื่นก็แยกเอาไว้นะก็จะทําให้เราคลายความกังวลลงไปได้นะตรงนี้จะช่วยได้คื อ, ค, อคือต้องจัดระเบียบแห่งชีวิตแล้วแต่ว่าชีวิตของท่านอ่าจะสามารถจัดได้อย่างไรใช่ใชต้องต้องพูดเปิดเผยอย่างนี้อไว้ดีกว่านะคะท่านถูกต้องนะค่ะในส่วนของ การที so ite, ่จะฝึกปฏิบัติของแต่ละคนเองเชื่อว่าจะเป็นแบบนี้ตัวเองก็เป็นอยู่นะคะในบางครั้งเช่นทําไอ้นั่นก่อนแล้วค่อยทําทำไอ้นี่ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติสุดท้ายไม่ได้ปฏิบัติเลยค่ะท่านคะเพราพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรไหมคะวิธีการที่จะจัดการกับปัญหาแบบนี้อคือตรงนี้เราก็สามารถทําได้ตรงที่ว่าสมมุติเราทําอะไรไปก็ตามทำไอ้นนั่นทำไม้นี่ก่อนเนี่ยไอ้ขณะที่คุณไปทำไอ้นั่นทำไอ้นี่เนี่ย คุณใช้อะไรทาก็ใช้มือบ้างใช้ปากบ้างใช่ไหมแต่จิตคุณคก็ต้องมีถูกไหมเพราะฉะนั้นเองจิตที่คุณทําอยู่เนี่ยคุณก็มีสติได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเรามีสติในขณะที่เราทํางานนะมีสติในขณะที่ทํางานตัวนั้นก็ชื่อว่าเราจเจริญสติได้ ค, คื อ, อนนบางคนคิดว่าเป็นคนละเรื่องกันนะชีวิตทางบ้านก็ทางบ้านชีวิต เ, เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติก็แยกกันไปไม่ใชนะ่เราจะทํายังไงให้ ในขณะที่เราทํางานอยู่อะไรอยู่เนี่ยเราฝึกสติไปด้วยตลอดอันนี้คือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนไปถึงจะจบนะคะแต่ที่ฉันเนี่ยจําได้ว่าไม่รู้จําแม่นนะเปล่านะคะเมื่อดูเหมือนกับพระพุทธองค์บอกว่าให้ให้ความสําคัญเป็นลําดับต้นๆสําหรับการปฏิบัติเอ่อก็หมายความว่าให้เรามารู้อริยสัจสก่อนนี่สำคัญที่สุดแน่ละนะก่อนที่ไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอันนี้ก็ที่ตรัสไว้ในยันหนึ่งใช่ไหมตอนนี้กระบวนการที่คุณจะมารู้อริยสัจสได้เนี่ย แน่นอนมันเรื่องของจิตทั้งสิ้นเลยแต่เพราะนั้นเรื่องของจิตเนี่ยจิตคุณอยู่ตรงไหนได้บ้างละ่นะเนีเราก็อยู่ได้ทุกตรองทุกตลอดเวลานะีคุณ<อ>ทํางานเราก็มีจิตได้ตอนนั้นเราก็คุณก็มาพยายามทำโยนิโสมนัสิการมีสติอยู่ก็ใช่เลยนะเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันนะคะเรื่องเดียวกันมไม่ต้องตกใจว่าไปถึงตรงไหนกําลังจะต้องทําธุระอื่นร้อนๆขอนั่งแผลเพื่อที่จะปฏิบัติก่อนอย่างนั้นไม่จําเป็นขนาดนั้น<ม>นะคะ ปรับ ป, ประยุกต์เอาวิธีอื่นเอาค่ะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านภับูลณ์เป็นอย่างยิ่งค่ะ น, น้อมักการค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะนั่นคือพระมหาภับูลณ์อภิปุณโณนะคะจากวัดปาดอนหายโศอุดรธานีค่ะวันนี้ท่านก็มาให้เทคนิคกับเราผู้ที่สนใจอยู่บนหนทางของการจะปฏิบัตินะคะว่าถ้าสมมุติว่าปฏิบัติไปแล้วมีการกลับกําเริบแห่งธรรมคือเหมือนกับว่า มันขึ้นลงลงดิฉันขออนุญาตที่จะใช้คำนี้ประกอบไปด้วยก็มีเทคนิควิธีว่าให้ไปรับประทานอาหารให้น้อยลงนะท้องต้องพร่องอยู่แล้วก็ประกอบตนอยู่ในความตื่นให้ฟังทำมากนะคะให้หาโอกาสที่จะหลีกเร่นเป็นต้นก็มีอยู่เจดประการให้สันโดษนะคะเลี้ยงง่ายามีกิดน้อยๆค่ะหวังว่า คงจะช่วยให้การปฏิบัติของท่านนั้นเจริญยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาไปสู่การมีธรรมไม่กลับกรรมเริบโดยเร็วนะคะวันนี้ที่เชนก็ลาท่านฟังที่ครบรทุกท่านไปก่อนเพื่อที่จะนัดหมายมาพบกับคำสอนของพระศ า, ศาสดา็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะโดยพระมหาภายัยบุญอภิปุโนโดังที่ได้กลับเรียนไปแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะพุทธสวัสดีค่ะ